ดังนั้นซึ่งเราป้องกันไว้สองส่วนเลยว่านี่ไงสังสารวัตเป็นอย่างนี้<ช>ถ้าอย่างนี้ก็ก็ชัดขึ้นใช่ไห<ช>ก็มองอย่างีอันนี้เขาตีโจดคาว่าสังสารวัตรต <c oughs> ีโจทย์เาคืสังสารวัตรจนั้นคาถานี้ต้องเอายกมานะต็นยกมจะิดยกโจดไ ป, ตไปแต่ไปยุ่หนังสือดีกว่าอันนี้านานแ้วใช่ไใช่อนนี้ประการต่อมาคือว่า พอแยกศัพท์ทางตำร า, าที่บอกว่าเขาว่าสังสาระศัพท์หนึ่งเขาแปลว่าการท่องเที่ยวไปวัตตะเขาแปลว่าการหมุนวนในภาษาไทยเนี่ยเขาตัดตัวต่อประตัดออกตัวหนึ่งใช่ไหมเรียกว่าสังสารวัแปลว่าการหมุนเวียนด้วยการท่องเที่ยวไปเนี่ยทีนี้แต่บางครั้งก็ปรากฏแยกกันเป็นแต่ละศัพท์ คือสังสารราเดียวเช่นในอนะมาตคโคเนี่ยไหยอนะมาตคาสังยุตเนี่ยที่โยมยกมานี้เนี่ยที่โยมอาจารย์ยกมาเนี่แหละคำว่าสังสารวัฏเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้ใช้คำว่าสังสารูสังสาระไม่มีตัวต่อปัจจัยสองตัวครัก็เนี่ยหมดใชกันหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยอันเดียวเป็นในดีการเนี่ยในพุทธพจนิยายตกระถานและในดีการใช้ตัวเดียวกัน ท่านใช้คําว่าสังสารสังสารละในสูตรนั้นที่บอกดูก่อนพิสูจนตั้งหลายสังสาระนี้มีที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้หรือที่บอกว่านานโคปนีโซซาลีปุตตะสังสารโรกสุรภารูปโปโยมยาอสังสาริตปุบโพเป็ปนต้นเนี่ยนะอันนี้ก็ในมันชฌินนน ม, น, มนิการูระบนาส่วนนแรกมาในสัญญานิการิฐานว่าที่โยมยกมาเนี่ย แต่ในมัชฌิมิกายมลบปัณนาคก็มีอั น, นเกี่ยวกับนเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกดูก่อนสารบุตรสังสาน ร, รานี้ที่เราไปเคยเที่ยวไปนี้ไม่ใช่ขอหาได้ง่ายเลยอย่างนี้เมตต้นไงนะอั น, นคือพูดถึงในเรื่องของสังสาระฉะนั้นในพุทธพจน์ในบาลีในพุทธพจน์ในอัศวะหรนในชัน้นทั้งีกาท่านใช้คําว่าสังสารอ๋อไม่ไม่เจ๊ไม่เจ๊วัดแต่เราหมายถึงกันว่าสังสารวัตรสังสารวัตภาษาไทยถ้าภาษาไทยมี้ต้องไปตัดสองตัว ใช่ไหมว่าตาัดทีนี้ในปฏิจจสมบาทใช้คาว่าสังสารวัใช่ไอ๋อต้องมีตอสองตัสองตัวแล้วภาษาไทยอ๋อภาษาไทยาภาษาก็คือว่าออไม่ใช่ในภาษาไทยตัดตัดตัดตัวตัออกเสียตัวหนึ่งือสังสารวั่ือสังสารวันะภาษาไทยตัดภาษาไทยเป็นไงทีนี้ทีนี้ อาการต่อมาก็คือว่าคําว่าวัดวัฏฏะเนี่ยก็เลยเป็นเชื่อของการทําบุญวัตฏะคามีนีกุศลกับวิวัฏฏะคามีนีกุศลเห็น<อ>ไหมเห็นไหมกุศลที่เป็นไปในวัตฏะกับกุศลที่ออกจากวัฏฏะอันนี้ก็ต้องชี้ชต้องชี้ตรงนี้เพราะว่ากุศลที่เป็นไปในวัฏฏะก็อย่างที่เราทำบุญกันทั้งังหลายและที่ไม่อยากออกจากวัฏฏะกันนี่แหละ เขเรียกว่าวัตคามีนีกุศลให้ทานรักษาศีลแม้แต่เจริญภาวนาแต่ไม่อยากออกจาวัฏจักรใช่ไหมสมาธภาวนาอะไรต่างๆเนี่ยไปเข้าใจวิปัสสนาภาวนาแต่ไม่อยากออกจากวัฏจักที่เป็นบอกอธิสงว่าเจริญวิปัสสนาแล้วเจรสติปัญญาดีรูปสวยโลยซับอะไรกันอย่างเงี้ยเป็นบอกโฆษณากันอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นวัตคามีนีกุศลกุศลที่เป็นไปในวัตจักรไปไล่ยาวไมยังเอาอยู่ในในส่วนของสังสารวัตรใช่นี่นี่เท่าง <zo' S 2> <A Mr. S 3> วัฏฐามีดีกุศลนี่แหละเป็นกุศลที่เป็นไปในวัฏฐ์ส่วนวิวัตคามีดีกุศลเนี่ยปารบตั้งแต่ทานในกุศลศีลกุศลโวนากุศลรวยแต่ปารบออกจากวัฏฐ์ที่อาตมาได้บอกใช่ไหมตอนบรรยายที่เชียงใหม่จำได้ไหมอาตมาใช้คําว่าทุกอย่างที่ทําให้ปารบการหลุดพ้นเพราะสอดคล้องกับพุทธพจน์พระเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นดีถ้าต้องการอยากจะรู้ก็ไปดูในหมายทิเค นเป็นพระเาพทบอกไว้เลยอย่างเงี้นะภาษาลิบุตรขยายยาวเลยเนี่ยจะได้รู้ว่าอ๋อชาวพุทธเนี่ยแม้ทําบุญก็ยังเป็นวัตถรมีนิยม เ, เป็นสนใจเห็นไหมตรงเนี้ยพอเราจะเขียนเรื่องสังสารวัฏก็คือว่าชีย่ยเห็นว่าชเนี่ยเชี่เห็นว่านี่ไงที่ข้าพเจ้าต้องเขียนในเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือต้องการในท่านทั้งหลายว่าวัตักเป็นแบบเนี้ยวิวัตถะเป็นอย่างเนี้ยใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งถ้าเราจะทําบุญกันแบบนี้ก็เป็นไปในวัตถะ แต่ถ้าว<ม> <คน S 2> ่าคนที่ถ้าคนที่เข้าใจในเรื่องของสังสารวัดีแล้วก็ทำบุญเบ็ดเสร็จเพื่อจะออกจากวัฏตักรยังไงแล้วโทษของการไม่เห็นโทษของวัฏตักรนี่เป็นยังไงยังไงก็ว่าไปดูตอนนี้เลยนะคะก็ไม่ใช่ตอนไม่ใอ่ตอนนี้เล่าคะเรายกสูตรไหนมาได้ที่อรมาพยายามจะเชื่อมต่อไปในนนะั้นว่าอพออธิบายตรงนี้เบ็ดเสร็จก็ตรงนี้ก็จะเชื่อมโยงก็คือตรงที่พระเจ้าบอกว่าเออ พระพุทธเจ้าบอกว่าวิริยะของพระองค์เนี่ยเป็นไปในสองประการใช่ไหมมีหน้าที่เหยียบไปในธรรมที่เป็นปอกาฟความเศร้าหมองแล้วก็ย่างไปในธรรมที่เป็นปอกไฟความส่องแพรก็ตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยวิริยะที่เป็นสมพรประธานละบาในอี่ก็คือเหยียบไปในธรรมที่เป็นฝไฟเศร้าหมองแล้วก็น้อมหาธรรมที่เป็นใช่ไหมอะไรที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นกับท่เน่ยพวกวิสุทธิเจด ใสินวิสุทธิ์ทีจิตตวิสุทธิที่กังขาทีตะรนาวิสุทธิ์ที่มขามมะข่ายาทัศสุนทริสุทธิปฏิปทาญาะทัศสนทิสุทธิ์ใช่ไหมแล้วก็ญานะทัศสนทิสุทธิอันนี้นจะต้องก้าวก็้าไปหาสู่ธรรมที่พงแพลีเป็นหน้าที่สมประชานก็คือนั่นแหะทะยุงอมังมิองแปดมุดเข้าไปทำที่พงแพลออกไปละทำที่เศร้าหมองแล้วเข้าสู่การทที่พองแพลี้ยที่ยังไม่เคยเข้าสู่กระแสขันลงทาง่าน เขาเพียรพยายามในการทำกุศลที่ยัาไม่เคยกดให้กดขึ้นหนึ่งขบวนศาันาแม้พวกเราทั้งหลายไมต้องทำอย่างนั้นอันนี้เข<ะ>ายกอ น, นี้มาเป็นตัวอย่างใช่ใช่ใช่ใช่ไหมคนะใชไม่ขอเพียนอันนี้นี่ก็เป็นไปในรนากฐณนนี้นะแต่ถ้าบอกว่าต่อมาก็คือว่าแร่ย่างเป็นการทที่เป็นต่ปลายความหลงแคล้วแล้วก็ยืนอยู่บนแผ่นดินแผ่นดินในที่นั้นคือศีลเห็นไหมเนี่ยยืนอยู่บนแผ่นดินคือศีลแผ่นดินชื่อว่าศีลทั้งสี่ประการนั่แหละ ปาติโมกสังวรศีอินเดียสังวรสีอาทิวรรัตรปฏิสุทธิศสีปัจญสันมิสีตัสีเนี่ยถ้าอย่างนี้เป็นน้องไปอย่างนี้นะเป็นวิวัตรกรรมีน่ยไม่ใช่เป็นวิวัตรกรรมีนี่แน่ น, นอนที่พระวรที่สักของที่ผู้ที่ผู้รีเจ้วสุนทรทแล้วก็รับนะที่บอกว่าแผ่นดินชื่อว่าศีโดยความหมายว่าเป็นที่รองรองรับรองรับบนแผ่นดินคือสีนั้นประทับยืนก็คือยืนโดยการทําให้ถึงท้อง ได้พระหัตคือศรัทธาพหัตชื่อว่าศรัทธาคือศรัทธาเพราะทําเมตสเปตคือการถือเราทาที่ไม่มีโทษด้วยพหัตคือศรัทธานั้นแล้วก็ทําความสิ้นไปแห่งกรรมให้การทําความสิ้นไปแห่งกรรมเพราะการจะทําสิ้นไปแห่งกรรมนั้นอันหมวดต่างกันด้วยกรรมที่เป็นไปในลักษณะว่าเอาอะไรทาความสิ้นไปเ อ, อพาอรรพยานอธรรมกพยานนี่ยฉะนั้นอาตธรรมะพยานของพระ อ, องค์ที่ไปตัดที่เลสเนี่ยตัดพวก อาสวะสมุทไทยตัดพวกปัญหาตัดพวกวิชาพอเทามันหักดุมมันแตก<ม>แล้วเอกลั ก, กซี่กรับอยู่ได้ไหมพังคืนเลยไม่หมุนไปนพบได้ที่ไหนกันเนี้ ย, ยเทามันหักเท่าที่สอดเข้าไปแล้วดุมมันแตกนี่หมุนยังไง สี่กรรมก็หลุกเพราะสี่กรรมหลุกปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊ชรามแล้วะนะดุวิบาตคือคันธะมันจะไปได้อย่างไงมันไม่มีแล้วอูมองเห็นภาพเลยตอนนี้ร่วงรุนละมุนรบหมดเลยตอนนี้ <radish. S 1> นี่ไม่ต้องกลืงไปในภพสามอีกต่อไปนี่ถึงความสิ้นไปแล้วมองเห็นไหมนะทำไงจะอธิบายได้อย่างนี้ทีไม่จะเขียนเนี่ยพยายามค่ะแล้วจะให้โยงจะให้ จะจะส่งมาให้ท่านตรวจทีหนึ่งคือจะเอาอันนี้ไปประมวลแล้วก็เชื่อมโยงแล้วก็เอามาให้ท่านตรวจทีหนึ่งก็อันคืออันนี้มันมันเห็นภาพเลยลูกตั้งแต่ดุมวันนั้นที่นั่นก็ติใจนั่นแต่ใจไม่ได้หมดที่ไปนั่นพูดถึงดุงถึงคงนะเนี่ยตั้งแต่ดุมมัท้อยให้ระบนะุนั้นจนกระทั่งบุ่มนี่แตกนะอ่ะ ตาไม่ใชอแ่อะดุมแตกหคือไอพวกนี้แตกคักเปล่าแตกหักเปล่าหักดุมแตกแล้วก็ซี่กามลุกคือคือคือคืออีตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อธิบายถึงตั้งแต่ต้นจนทันนี้จบเลยตรงนี้แล้วไอพ่อปฏิบัติัออีกเรื่อง่นทางแล้วก็อีกเรื่อง่ค่ะคือคือคือเป็นการเขียนโนมนาเขาเข้าใจว่าโอ้โหนี่มโนภาพใช่ใเห็นมโนภาพว่าว่าอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยสร้างภาพให้เาเห็นขอ สติปัญญาพอพุดพระธปรมพระสงฆ์พระธรรมสติปัญญาก็ก็ใช่สิคะใช่ไปแล้วเดี๋ยวจะไปนั่นแล้วเดี๋ยวให้เส้นตรวจทีนึงคือนั่นแหละจับขวานคือพยญญาในรับดีแล้วบนจินาคือสมาธิเจอนะก็หมายความบอกว่าพยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยขวานนี่คือปัญญาขวานคือปัญญาจะทํำถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นชัดเห็นอะไรนี่ท่านดูกลมมา อ, อุปมาอย่างไงอุปมาก็คือว่าพยานทั้งหลายเนี่ยเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เกี่ยวกันในเรื่องของยะถาปุิยานนาทัศนะนิพิทาเวลาค่าเนี่ย อ, อริยมรรคเนี네่ยเป็นพยานสูงสุดแล้วแต่อริยมรรคนั네้นก็ต้องอาศัยนิพาานิทาญาณนิ พ, า พ, าาพิทาก็อาศัยยถาปุิยานนาทัศนะตรงนี้มันก็ต้องมีวิจารณ่ใช่ใช่แล้วก็ตัวนี้อธิบายแต่ไม่ได้มารวมตรงนี้ใช่ไหมครัใช่เชื่อมให้เห็นนิดหน่อยนิดหน่อยจช่ อธิบายเห็นบอกว่าที่ว่าพยานของพระริยเจ้าเนี่ยพยานของพระิเจ้าที่รับได้คมอะเริ่มตั้งแต่ที่จะเป็นยะถาปฎิยานทัศนาปัญญาที่ทุกเรีนตามความจริงได้พยานั้นต้องรับบนหินขวานเน่ยต้องรับบนหินหินนั่นคือสมาธิไอสมาธิในที่นั้นมีพวกปฐมอาจารย์พุทธิอาจารย์ตัติอาจารย์เป็นต้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเพียรพยายาม ในการแหวกจะทําที่เป็นฝักฝ่ายฝ่ายดําเข้าสู่ทางฝ่ายขาวเนี่ยนะเนี่ยตัวนั้นเนาะท่านต้องบอกว่าโอ้ท้าวพระบาททั้งสองเนี่ย <ๆ S 1> หแหละนะแล้วต้องมีศรัทธาถึงจะตัวผัก ด, ดันตัวนี้มาได้นะบอกโอเนี่ยเห็นไหมว่าพระบาททั้งหลายต้องยืนอยู่บนศีลสรุปก็คือท่านก็เชื่อไม่เห็นเลยจะเนี่ยว่าเห็น<ช>ไหมว่าปัญญาที่เป็นญาตานปุริยานัทัศนะขึ้นกําลับรับอย่างดีบนหินนะหินคือสมาธิสมาธิก็มีความสุขเป็นฐานรองรับ ความสุขก็มีปสัสสติเป็นฐานรองรับปสสิก็มีปีติเป็นฐานรองรับปีติก็มีปราโมดเป็นฐานรองรับปราโมดก็มีศีลเป็นฐานรองรับศีลก็คือพื้นฐานเนี่ยตัวศีลนั้นก็มีสัทธาอย่างงี้นะเป็นฐานทําให้เกิดโอ้ปัติโมกสังวรศีลทาไม่เกิ ด, มมม ไ, มกดไม่เดือดร้อนใจเป็นปราโมดปีติปัปสธติความสุขสมาธิยาถาภุริยานัสนะจากยถาภุริยนัสนก็รับใหญ่รับหินนั่นแหละ พอคมคมคนเป็นนิพิทานิพิทานริงๆถึงวิราค่ ะ, ะหันตัวอาสวัสสมุทรไทยตัวหักเทาอะ่ะหักหักเทาทำลายดุมชี่กรมพังกงนั้นไปไม่ได้ชรามรณะไม่ดีเกาะไปในภพสามจจนี่เข้าใจเลยอกอกจากออกจากวัฏฏะเลยอือตรง น, นี้ชื่นใจโ ล, ล่งเลยโล่งเลยโล่งค่ะใช นี่มองเห็นเลยใช่ไหมว่าอ๋อนี่นี่เป็นอย่างนี้เองตรงนี้ต้องต้องเชื่อมดจริงๆถ้าไม่เชื่อมใครจะเห็นก็อ่านกันมาหลายหร้อยรอยใช่มันก็เอาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง<ม>วิสุทธิเจตโยมยังเอาไปไว้พาะด้วยสามปัดโดยที่เนศ่ยถ้าเอามาเชื่อมกันอย่างเนี้ยหนูหมไม่อันนั้นไ อ, อ, อ้นั้นรากวัว่าจะดีเนาะมันท่านๆ่เยี่ยมมันท่านตาใหญ่ใช่ไมหรือจะนั่นตรงเนี้ยก็เรียกว่า ที่พอเข้าใจตรงนี้เบรศเสร็จแล้วก็คือว่าออในคํานั้นที่ท่านบอกว่าอารานังระระตตาก็าแปลว่าหักหักกรรมเสียดได้เหมือนกระจับจิงชื่อว่าจักท่านทําประกอบความอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านต้องการสแสดงคำว่าสังสารจักรหรือสังสารวัตรในลําดับแห่งปฏิจจุบาทเทศนาท่านต้องการสแสดงให้ดูว่ายิ่งลำดับเนี่ย ในบรรดาสังสาระวัตเนี่ยที่ในอนัมตตะคัตได้แก่สังสาระวะัตวัดก็คือว่าชื่อว่าเป็นอนัมตตะคัตคือมีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันไครๆตามรู้ไม่ได้คำคำนี้นะครับว่าอนัมาตตะคัตเนี่ยก็คืออะไรคือมีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันใครๆไปตามรู้ไม่ได้ ทาสิบที่เหลือได้แก่ทาสิบอย่างมีสังขารเป็นปต้นมีชาติเป็นที่สุดนนาาก็ตรงนี้ก็ไล่ฟังเลยสังขารวิญญาณ น, นามรูปสลายยตนาผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภวะชาติสิบไหม<ะ>สิบตรงนี้มีอวิชชาและตัณฑ์เป็นมูด ไม่เป็นมูลดิไห ม, มล้วจึงบอกว่าที่จริงบอกว่าเขาจึงบอกว่าทำสิบอย่างนะั้นมีอวิมีสังขารวิญญาณนำโลกไปจนถึงชาติเป็นที่สุดในะนสิบอย่างท่านอาจารย์เขาก็กล่าวบอกว่าเมื่ อ, อวิชาเป็นมูลเพราะมีชา ร, มรามรณนเป็นที่สุดเห็นไหมอวิชาเป็นมูล<อ>ต้องกลาง ม, มีสนะิบสิบเนี้ยอวิชาหนึ่งเป็นสิบเอ็ด ชรามรณะอยู่สุดท้ายเป็นสิบสองเขาเรียกว่าปฏิจจสมบัตสิบสองเรารู้แล้วอะไรเป็นมูลอะไรเป็นที่สุด <Okay. S 1> อวิชาเป็นมูลแต่ชรามรณะเป็นที่สุ ด, สดตรงตามมีอยู่สิบมีสังขารเป็นต้นจะถึงชาติจบ <Okay. S 1> เลย <Okay. S 1> ดีทีนี้พออธิบายตัวนี้ทํามฟังก็จะตรงนี้เบรเร็จแล้วก็คือว่าที่บอกว่าอาวิชาเป็นมูลก็คือเป็นเหตุเ ป, เ, หตเป็นประธานของสังขาร ของวิญญาณนำรูปธรายยปนัสสาวรีสนะตันท้าประธานเพราะว่าชาติเห็นไหเป็นประธานของธรรมสิบประการนี้ธรรมเหล่านั้นเชื่อว่าวิชาเป็นมูต์ชรามรณะเป็นที่สุดคือเป็นปริโยสารของธรรมเหล่านั้นเป็นบทสรุปของธรรมเหล่านั้นเหตุนั้นธรรมเหล่านั้นชื่อว่ามีชลาลมาเรณะเป็นที่สุดได้แก่ธรรมสิประการมีสังขารจนถึงชาติเป็นที่สุดอันเนี้ยแล้วก็ภาวะแห่งธรรมมีชลาลมาเรณะเป็นที่สุดเหล่านั้นน่ะชื่อว่าชรามรณะ ปริยันต์ตัณฑปริยันต์นตัก็แปลว่าทำมีชรลาวรณะเป็นที่สุดรอดก็เพราะความที่ทำสิทธประการคือสังขารวิญญาณ น, นามรูปตระลายนะภาษาเวทนาตันหาปาทานตว่าชาติมีชาติเป็นปริโยสารใช่ไมแต่มีอวิชาเป็นมูลและเพราะทำมีชะลาวรณะเป็นปริโยสารเพราะความที่ทำมีสังขารเป็นต้นเกี่ยวกับอวิชา เป็นดุมโดยเป็นมูลนะวิชาเป็นเหมือนกระดุมเป็นมูลเกี่ยวข้องกับชาลาบราณะซึ่งเป็นกรงโดยที่สุดอธิบายให้เข้าใจเลยทําไมต้องอธิบายอย่างนี้ว่าทําไมเอาวิชาเป็นดุมทําไมเอาชาลาบราณะเป็นปงก็เพราะชาลาบรารณะอยู่รอบสุดท้ายเป็นปริโยสารในองค์ปฏิจจ์เอาทําไมเอาวิชาเาเอาเอาเอ า, เอาวิชาเก่าไว้เป็นดุม พระ อ, อวิธานนั้เป็นมูลของธรรมเหล่านั้นสี่ประการที่ได้กล่าวอ๋ออันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของสังสารวัตใช่อธิบายปฏิจจารให้ฟังอธิบายปฏิจจารใฟังเนี่ยเรื่องสังสารวัตเลยเนี่ยทีนี้พอพออธิบายในตรงนี้ก็บอกว่าทีนี้พอมาเชื่อมมาเชื่อมลองก็ถือว่าถามว่าแล้วแล้วปฏิจจารเนี่ยที่พระพุทธเจ้ายกมา ถามพระพุทธเจ้าตัศรุมันมีสองสูตรเนาะสูตรหนึ่งบอกพระพุทธเจ้าตัศรุปฏิจจสมุปบาทได้เป็นวิจัยสูตรหนึ่งคือตัศรู้เรียสักสรุปแล้วก็คืออันเดียวอันเดียวครับเอวิชาเป็นทุกขศาส์เหตุอของเอาวิชาเป็นสมุทยัยความไม่เป็นไปของอาวิชาและเย็ุของวิชาเรีนดิโรด ปฏิบัตถถึงนี้รอเป็นมัอริยสัตว์ไหสังขารก็เป็นอริยสัตว์วิญญาณก็เป็นอริยสัต์นามโลกตลายย์ะเป็นอริยสัตว์เวท น, นาตาประฐานวัชชาสลามรณะ<ม>ทุกข้อก็คือขันห<ม>้านะเมื่อ<ม>นี่ไ ง, <ม>งไจะจะจะเห็นองค์ปฏิจจหมุนไปในกระแสขันธ์องสัตว์นก็คือขันห้าภาคยะอิยจะน่ากำลังเหนื จะได้รู้ว่าเป็นอันเดียวกันตัดในส่วนของสองบุคคลสองกลุ<ะ>่มสัตว์สอจพวกเลยไม่ต้องมาเถียงันตอนนี้เขาเถียคกันพระพุทธเจ้าจะรู้อะไรกันนี้ก็ตามเป็นประเด็น อ, อันนี้ข้าควเข้าใจพระอารยจบย ค, นะคนเข้าใจพระรยเน้นนังบุญตรงนี้เข้าใจ ทีนี้พอเข้าใจตรงนี้เปเสร็จก็อวิชาเป็นปันจจนะัยใช่ไหงนั้นก็เป็นไล่กันยาวไปถึงไม่ไ ม, ไม่ไม่ตามไปแล้ว น, นี้เข้าใจแล้วนะเนก็อันอันถ้าได้อย่างนั้นไอ้ตนที่ข้อปฏิบัติอคจะมาใส่ในข้อปฏิบัติหรืเปล่าเปล่ภาพปฏิจจานี่ค่ะปฏิจัานเป็นาาอารมไม่ใช่ค่ะเราเอาเนี่ยเดยี๋ยวนี้ก็ปฏิจจด้วยมันก็อธิบายได้ด้วยอันนั้นในในในในชี้ ให้เห็นว่าคือสารท่าอริยตนะในในใ น, ในส่วนลำดับที่หนึ่งใช่คือทีนี้พ อ, พ, อพูดพอพูดตรงนี้เปียเสร็จก็ยังไม่เชื่อมโยงลงทีนี้เราต้องการจะพูดว่าสังสารวัตก็คือการหมุนไปของฐันอรยธรรมธาตนะุเนี่ยมีสองส่วนวเนี่ยมาแยก <ขอ S 1> ใช่ไหมเอาแยกยังไงแยกเป็นไปในส่วนของอสสาท่าเองนี้วัตถะมีนิพุสนี่เป็นไปในส่วนของสังสาระในส่วนของอสสาท่าเอง จะไม่เป็นคุณนะบอกว่าทําให้เกิดความยินดีทําให้เกิดความความเพลิดเพลินยังไงตรงเนี้เนานะทีนี้ก็เรียงวิธีเรียงลําดับตรงนี้ก็คือใช้ใช้คํำพีอะไรเป็นแนวเป็นตัวตั้งใช้คํำพีเนตรุปกรณ์เป็นตัวตั้งะ น, นะ ถ้าหากอธิบายตามตามนัยยะคมพี์ของเล่นติปกรณ์ใช่ไหมเขาเรียกว่าเอาหลักของเทศนาหารักของพระพุทธเจ้ามาอธิบายทำไมต้องเอาหลักนี้หลักของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าอัศาธานีอั ศ, อศาธาทินวตา นิสระนัมปีจ่าปารังอุปายุจาอนัตติจาบัคโตวะโตโยคินันเทศน า, ารูเทศนะพระพุทธเจ้าไหมเออเห็นไหมเราจะเทศนาตามพระพุทธเจ้า ค, คือเราจะลำดับเนี่ยพระพูดถึงเรื่องสังสารวัฏเสร็จเสร็จก็จะเอาอัสสาทะว่าการหมุน ไปของขันธ์ธาตุยัญชนะหรือการเกิดขึ้นการที่สัตว์ทั้งหลายหมุนเวียนไปในภพน้อยภพใหญ่นั้นน่ะทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงติดจึงยินดีจึงเพลิดเพลินเพราะการหมุนเวียนไปของขันธ์ธาตุยัญตนะนั้นมันมีสุคสมอณัติมันมีตัณหามีวิปัสสนาเป็นความยินดีมีสัญญาวิปาัาสมีทิฏฐิวิปาัาสมีจิตตาวิปาัาสของสัตว์ทั้งหลายเป็นตัวเชื่อม ทำใหสัตว์นั้นกินดีเพื่อเผยยังไงก็อือาา่นะเอาเราดูตรงไหนก็ดูที่พระุทธเจ้าตัดทานนักษาศีลรักษาสักขารักาสักขะรักาอ ก, ก, ก, กาถึงสวรรค์ทานอากาศถึงทานศีลอากาถึงศีลทานรักาอากาศถึงทานศีลรักษาอากาถึงศีลสักขะรักาอากาศถึงสวรรค์อากาถึงสุงสสัติภคอาก า, กาศ ถ, ถึงขันธะแตย่ยธนะที่หมุนไปในภค สะดวกพบที่สบายทั้งหลาย <Okay. S 1> แล้ว ก, การอาทีนวัตคาถานั่นการโทษคืออาทีนวักล่าวถึงทุกโทมานะมันก็มันก็อนุปุพพิคาถาไงก็ใช่ไงแล้วก็เนคขามานิสังส ก, กถา <c oughs> กล่าวถึงนิสรณะคือการออกจากวัฏจัก mm hmm. และกลารที่จะพ้นออกไปได้ออกจากภพยังไงแล้วก็จะต้องมากล่าวถึงอะไร กล่าวถึงผลเป็นยังไงอุบายเป็นยังไงอนัตเป็นยังไงการแนะนาตักเตือนของพระเจ้าเพื่อประโยชน์แก่โยคีผู้ปฏิบัติในชื่อว่าเทสนานุทฉะนั้นสุขโสมนัส ก, ก็ดีอิทถารมนี่น่ายินดีตันหายวิปปา่าทั้งหลายที่เป็นเหตุถึงความยินดีชื่อว่าอาาัสสัตถะทุกขเวทนาสังขารทุกขหรือสังขารที่เป็นไปในการมภูมิรูปภูมิรูปภูมิที่เป็นวิปริณามาทุกทุกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นอันนั้นเป็นอาชีนวะเป็นโทษ อันนี้เริ่มมองเห็นโทษอันนี้ก็ถ้าเหมาะถ้าพูดถึงสุขก็เอาเรื่องสวรรค์มากล่าวถ้าหากว่าดูอย่างพระมหินทาเขีรัแสดงนะที่ท่านมาแสดงที่ลังกาที่ท่านเอ า, า, า, า, าศาสนามาที่กกาะลังกาทั้งเลยท่านสแสดงอะไรก่อนเห็นไหมต้องไปดูท่านแสดงอะไรท่านสแสดงวิมานในวัตถุน้อยเลยคือแสดงทานนักาเบ็ดเสร็จเบ็ดเสรก็สแสดงวิมานในวัตถุเรื่องโมโหวิสวรรค์วิมานทั้งหาแล้วก็มา วิมารวตถุก็คือแสดงอาสารแล้วพอมาสู่ต่อมาก็ท่านก็เชื่อมลงในในไหนแสดงในขุทกการกิการในเปรตวัาถุอ้าเอาทุกเลยบายุภเพลียเลยแล้วก็สรุปลงลยสัจจาริยสัจจคตหรือแสดงทุกสมุทัยที่ลดมรรคนีคิดถึงนิงเลยจริงจเนี่ยเนี่ยน่ไงรุ่นผ้าหันตาเจ้าตั้งหลายที่นประกาศตามพระเดชเจ้า นี่ก็เรียกว่านิเทศนานรับนิสัทเทศนา น, นี่เป็นนี้ทีนี้ประการต่อมาคืออริยมรรคที่เป็นเหตุให้พ้นจากวัตตะและนิพพานที่เป็นตัวพ้นเลยนะเป็นที่พ้นจากวตตทุกชั่วนิสรณนะนิสรณะมีสองส่วนนิสระที่เป็นเหตุคือมรรคมรรคก็กล่าวเรื่องเลยสติปัฏฐานสมปทาอิทธบาทอิสีพราพชุชง อ, องมรรคแปดโพธิตักีกยรติธรรมนั่นแหละคือนิสระฝ่ายเหตุนิพพานก็เป็นนิสรณะที่เป็นผล เป็มื่ก็แยกเลด้วยแลการจะมาประโยชน์เมื่ออ่านอ่านหนังสือของโยมอาจารย์ไปแล้วนี่ประโยชน์ของผู้ฟังที่เขาจะได้รับคือปัญญาจนต่างระยะปัญญารู้อัตถะก็รู้เห็นรู้รู้ธรรมะรู้เห็นรู้ผลเป็นต้นถ้าประโยชน์ในสัาป라ยภพเขาก็ได้เกิดในภพที่ดีแล้วเป็นผู้สมบูรณ์โดยสมบัติทั้งหลายก็อาศัยเทศนาเนี่ยนี่คือผลอาศัยจากการอ่านหนังสือเรื่องนี้จะได้ผลก็คือว่าเออเขาได้ปัญญาในปัจจุบันภพด้วย แล้วก็สามารถที่จะได้รับผลอีกอย่างหนึงก็คือเกิดที่สวนทรภพเหตการณ์บรรลุผลนะหรือข้อปฏิบัติที่จะบอกไปในหนังสือเรื่องนี้ยอันนั้นนะเขาเรียกเป็นส่วนเบื้องต้นของอริยมรรคอันนั้นชื่อว่าอุบายเป็นอุบายวิธีอุบายวิธีเป็นอุบายยะการแนะนําตักเตือนของพระเจ้าหรือของผู้สแสดงพามือของผู้เขียนโดยมุ่งหวังให้เวนัยศัสต ร, ร์ให้เขาเหล่านั้นนะบรรลุประโยชน์ชื่อว่าอานนะ การเนี่ยมันจะครบหกประการอย่างนี้ก็เริ่มบริวุ่นแล้วหกประการเขาเรียกอย่างนี้ไงพระพุทธเจ้าแสดงทําแบบนี้สาวะของพระพุทธเจ้าแสดงอย่างนี้แล้วเราเขียนหนังสือก็อนุูวัดตามท่านอย่างนี้เดินทางโดยเดินี้ก็เดินตามรอยบาทพระศาสนาชัดไหนี่ก็เดินอย่างนี้ผู้แสดงธรรมต้องแสดงธรรมแบบนี้ถึงจะจัดว่าเป็นคำกระถิ่ ผูเ้เขียนแปลเขาทำจะเรียกว่าเป็นผู้เ ก, ก่าวทำก็ต้องเขียนตัวนี้ต้องถือผู้เ ก, ก่าวทำให้ผู้เ ก, ก่าวทำเก็จะต้องเดินตามร่องตามรอยทนะ่านถ้าไม่ดถ้าไม่เรียนตามแล้วแบบนี้เขาเรียกว่าไม่เรียกว่าผ <c oughs> ู้กก่าท่านวางหลักไว้เลยนะเขาเรียกไม่เรียกว่าผู้กล่าวทำนี่เราเป็นพวกเก่าทำวางให้ตรกตามล่รรองรอยทีานอย่างนี้ก็ชัดยิงยิงให้เห็นชัดชัดมากเลย คือโยงเอาไปแยกเป็นอันๆนะไม่ได้มีการเชื่อมต่อใช่ไหมอย่างอนุปัสสัญโยงก็ไปทำตามรอยของแดงเรื่องสีแดงโยก็ไปทำคือแยกเป็นส่วนๆเลยโดยไม่ไดเอามาเชื่อมโยงกันอันนี้มันมาร้อยเรียงเป็นอาไรกลมเดียวเลยนะเพราะว่าคัมศัพพุทธิจ้าต้องเป็นชุดอย่างเงสับสนกันใช่แยกยอย่าแย ขยายอายุยังไม่เข้าใจเลยเพียงแต่มีที่มีโอกาสมาพบไม่รอใช่ไหมสด้ายนะก็ก็ตรงเนี้เป็นเรื่องที่ทําให้เออเข้าใจทีนี้อ่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างทีนี้ในอัคค6อย่างที่ว่ามานี่เนาะสุขสงมนัที่เป็นไปในส่วนของอัศรธตัญหาวิปลสสาทั้งหมดทั้งลายเหล่านี้ยคือความยินดีพอใจในกามาภูมิรูปภูมิมารูปภูมิ ความยินดีในขันธ์ธาตุอายตนะที่หมุนไปในภูมิสามความยินดีที่เกิดขึ้นจากตัณหาความพอใจเป็นเป็นต้นนั้นนั้นเรียกว่าอัาทะนี่เห็นแล้เจอเรามีนี่มันะเรื่อ ง, งอศรรัศทะชักเลยต่อมาก็คือเตภูมิกระทำเนาะความที่ขันธ์ธาตุอายตนะที่มันเป็นไปในกายภูมิเป็นไปในรูปภูมิเป็นไปในรูปภูมิที่เป็นทุกข์กระทุกวิปยนามทุกสรรพธาตุทั้งหลายนี่ชื่อว่าทีโนะนี่คือโทษ ในอดีนะวะมรรคกับนิพพานมี่เป็นนิสรณะคือการออกจากภพภูมิเหลนะ่านั้นเป็นตัวเหตุกับตัวผลอา น, นิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการอ่านหนังสือเรื่องสังสารวัฏแบบนี้นะเมื่ออ่านแล้วก็ไปปฏิบัติตามก็จะพ้นจากการติดเตียนตัวเองได้พ้นจากที่ผู้อื่นไม่ติดเตียนแบบนี้ได้ไงนะหรือพ้นจากทุกติเป็นต้นได้พระเจา้าตรัสว่าทำโมเว ร, รัคติสภะจาริงไง ทำย่อมรักษาผู้บุรุษทำนี่ชื่อว่าผลนี่ชื่อว่าผลที่เกิดขึ้นจากการอ่านจากการศึกษาประการต่อมาก็คือว่าเหตุแห่งการบรรลุผล น, นั้นเห็นไหมเหตุหรืออุบายในเหตุแห่งข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการบรรลุผล น, นั้นเรียกว่าอุบายส่วนการแนะนําตักเตือนในหนังสือเล่มนี้ที่เป็นเหตุให้บุคคลประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องชื่อว่านัด เป็นนี้ทีนี้ก็สมงข้อเลยว่าอาส่วนสุคโสมนัสทั้งหลายส่วนอาสาทะทั้งหลายส่วนอาทินวะคือเตภูมิกรตธรรมคือธรรมที่เป็นไปในภูมิสามคือขันธะระยะชนะที่กำลังหมุนไปในกาลปุพุลุบปุพุลุบปุพุลุบปุพนี่ส่วนนี้เป็นทุกข์กษัตริย์นี่ลงอริยศาสตร์เลยกะส่งข้อลงอริยศาสตร์เลยนี่กอริยสตรีนะมันบอกว่าส่วนอาสาทะ คือตัณหาความยินดีความเพลิดเพลินในการบำรุรูปภูมิในขันในสัตว์ที่เป็นไปในภูมิสามนี่เป็นอัอาศรธาที่เป็นสมุทรยะสัจจะส่วนนิสรณะนิส ร, รณะก็หมายถึงเป็นข้อปฏิบัตินั่แหละนิสรณะเนี่ยก็คือเป็นตัวมัดเป็นตัวพระนิพพานเนี่ยนิสรณะที่ตัวนิพพานเป็นนิโรธาสัจจ์อุบายอุบาย หรืออนัตติเกี่ยวเเรื่องข้อปฏิบัติเป็นมารคะศตรงนี้ท่านเลยสรุปบอกว่าอสซาทโทสมุทโยอสซาโทอาสาโทสมุไ ท, ทโททยเนียธีนาโวพรารันจายบุคัลนิสระนงนิโรโทอุปายโยอนัตติจามาโคอาสซาธาชิวะสมุไทรันธีนาวะเลโคนชิวะทุกนิสระชื่อ ว, ยอวะยิโร อ, อุบายนะชิวะมะทุกขสัจจะเป็นจิตควรกาหนดรู้ รอบรู้ควรรอบรู้ควรทำยาศาสตร์ปริญญาพีเรน่าปริญญาเป็นต้นสมุดรยะสัจจา์คนรทำปาหานะปริญญาควละนิโรธาสัจจ์คนทําให้แจ้งมาระศัจจา์เป็นธรรมที่ควรเจริญนี้สรุปหรือเนี่ยนี่เขาลงอริยสตร์เขาลงอย่างนี้ถ้าลงอริยาศ า, นนาสตร์นี้แปลว่าสมุดจบพิธีไหมหนังสือเขาลงนี่การเทศก็ต้องลงเหมือนแล้วการเทศการเขียนหนังสืออะไรต่างๆแบบนี้นน ถ้าลงอริยสัจเนี่ยชื่อว่าเป็นการกล่าวถังถ้าไม่ลงอริยสัจเขาจะกล่าวเพ้อเจือใช่ไหมต้องพูดถ้าไม่ลงอริยสัจเน<พ>ี่ยเป็นกา <interests> รเพอเจือใช่มเยวเป็นสรเอเป็นอย่างนี้นะ ทีน ph ี้เราก็มองเห็นเข้าโค้งทีนี้เราคือแล้วเราจะเดินยังไงมองเห็นใช่ไเห็นค่ะวิ่งกัเริ่อเดิมชัดเรืเรื่องเห็นตั้งแต่ตรนนั้นเลยะถึงใช้คำพูดวันนั้นที่เรียนท่านบอกว่าคือไม่ได้พูดเอาคำพูดผู้สวดมอต์มาพูดแต่ว่าเหมือนท่านเงของเถ้าเอมันมันคิดถึงนั่นพอฟังท่านเนี่ยจิตมันไปคิดถึงสัญญามันไปคิดถึงไอ้ข้อความตรงนั้นโอ้จริงๆเพราทําให้เราอะไรมันเหมือนเปิด แจ่นที่เราส<ช>งที่ปิดแน่นน่าจะวันนั้นถึงได้เรียนท่นที่นั่นไงคะว่าอย่างนี้มันจับใจจริงๆพี่ที่ที่ในขณะนั้นจิตขณะนั้ น, นเพราะว่าเวลาท่านพูดอะไรเราเขา้าใจเนี่ยมันก็เลยทําให้สัญญานี้คิดจริงไอ้องก็มีก็มีข้อมุ่งเยอะอยู่แล้วคาพูดอันนั้นไงคะริงิญพิจิงเดียวมาจากนี่อ่านเยอะอยู่ลเลยไม่ใช่ม่ยอะนักเขียนต้องอ่านเยอะทุกคนนะแต่ว่าเปียนแต่ว่าบางครั้งไม่เข้าใจเือคือเข้าใจเนื้อหานนี้ <S <S <S <S จะเชื่อมยังไงนั่นแหละน่าใจคามเชื่อมต่อนี่พอมีคนแนะนำว่าเชื่อมจุดนี้จุดนี้เสร็จก็เลยโอ้โหมันโปร่งขึ้นมเลยในเข้าชีวิตไม่ติดขัดแล้วรู้ด้วยอาตมาถึงใช้คำว่าโยมอาจารย์เนี่ยรู้แนวทางปฏิบัติตัวแล้วคือรู้แล้วว่าจะเดินยังไงแล้วออครู้แล้วแต่ก่อนติดขัดอยู่บ้างแต่เดี๋ยวนี้ชัดขึ้นแล้ว ชัดแต่ว่าก็ยังไม่ทราบว่ามันยังไม่ชัดเจนเอะไรแต่แต่ก็หน้มันมีแนวทางไงครับเพราะฉะนั้นโยงก็น้อมมาปฏิบัติอย่างนั้นอย่างท่านอาจารย์สอนอะไรเหมือนคุณหลวงวัด้าอาจารย์สอนอะไรวันนี้พรุ่งนี้คุณหลวงวัดเอาเอาเหมือนกันมาคุยกันถึงได้ถูกใจกันคุณแ ม, มว่าวทำเหมือนกันแล้วยาทำไหามันเด็ดหนูแล้วหนูจาทำไหมบ่ <laughs> <laughs> <laughs> ฟังแล้วมันเข้าใจแล้วไปทาประเียวไปขัดกาหรือไปขัดเกาวรูปใบมุมนึงต้อระวังเนี่ยขัดกาแล้วจานแต่อันยมว่านะพี่บวรวาดหน้าตรงนั้นเขาโล่งันี่ยที่ที่ตรงนั้นเป็ะสปา ย, า ย, ายด้วยแต่